วางทำตันนั้นให้พากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีทำใจของตนให้สบายสบายไม่ต้องกังวลอะไรเราหัดทำใจให้สบายนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบททัติธรรมจุดกงหมายที่พระพุทธเจ้า ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือการทำใจให้สบายให้หายกังวลในเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดไม่ถือแต่ถึงแม้มันจะมีเรื่องควรจะคิดอ่านการงานอะไร เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามแต่เมื่อคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจเศร้าโศกนี่เรียกว่าการที่ทำใจให้ก่อนไว้ไปอย่างนี้แสดงว่ามันยึดมั่นในอารมณ์มันยึดมั่นในอารมณ์ที่ล่วงมาแล้ว บางทีก็ยึดมั่นในอารมณ์ที่ยังไม่ถึงก็มีคาดการล่วงหน้าไปแล้วกลัวจะไม่ได้สมหวังอย่างโน้นอย่างนี้ก็เกิดเสียใจล่วงหน้าไว้แล้วก็มีอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องให้เข้าใจให้เข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี้ เมื่อไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องตามเป็นจริงมันก็หลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่ทำใจให้เศา้าหมองคุณมัวนี่แหละจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างอื่นใดเพรกคนเราทั้งคนก็มีใจเป็นแก่น มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฝึกใจได้ดีใจนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อใจไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ส่วนร่างกายอ น, นันมันเป็นธรรมดาของมันมันเกิดมาแล้วก็แปรโพนไป ในที่สุดก็แตกดับทำลายไปอันนั้นมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นใครจะไปบังคับมันก็ไม่ได้แต่ดวงจิตนี่ตัวเองสามารถบังคับตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบังคับให้ลำบากตัวเองนี่แหละบังคับตัวเอง คนส่วนมากนั้นไม่ค่อยบังคับจิตใจตัวเองมเมื่อจะปล่อยใจขขาตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกโลกเขาสมมติว่าอย่างไรก็หลงไหลไปตามสมมตินิยมของโลกนั้นยับยั้งใจไว้ไม่ได้ดังนั้นคนเรามันถึงได้ทาความชั่ว จึงได้เป็นทุกเดือดร้อนถ้าผูดด้ใดมาฝึกเกียรตรงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดีเข้าไปแล้วได้บุญได้กุศลเป็นที่พึ่งทางใจไว้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปตามความชั่วต่างๆในโลกเพราะว่าดีชั่วนี่มันมีเครื่องเปรียบเทียบกันได้ เหมือนอย่างขาวกับดําอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเปรียบความดีหรือบุญกุศลนี่เหมือนอย่างผ้าผ่อนที่ขาวสะอาดนั่นแหละท่านเดวะสุกการทรมาทำอันขาว น, นี่นี่ทรงเปรียบเทียบบาปอากุศลต่างๆไว้เป็นของดา น, นั่นเอง เป็นของดํามันของดํานี่แต่มันก็มีประโยชน์อยู่พูดถึงสีดําอย่างนี้ก็ น, นิยมกันใช้แต่ี่ของดําอารมณ์ที่เกิดกับดวงจิตนี่ทําจิตให้มัวหมองนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยออแต่ของดําภายนอกนั้นยังมีประโยชน์ได้ แต่การที่บุคคลมายึดอารมณ์อันชั่วร้ายไว้ในใจแล้วใจมัวหมองเข้าไปนั่นเลยเนินท่านเดียวว่ายึดเอาอากุศลทำไว้มีแต่จะก่อทุกข์ให้อย่างเดียวดังนั้นทุกคนให้เพึ่งพากันสังเกตดูลักษณะของบุญและบาปให้รู้ แล้วเราเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ลึกอยู่ขาที่ไหนก็อยู่ที่จิตตวงเดียวนี้เองถ้ามาเพ่งดูจิตใจตัวเองเข้าไปสังเกตจิตตัวเองไปทุกขณะทุกเวลาไปอย่างนี้มันก็รู้ได้ขณะ น, นี้จิตวิศตกไปในทางกุศล ก็รู้ได้ขณะนี้จิตใจวิตกไปในทางอากุศลก็รู้ อ, อันนี้แต่ถ้าหากว่ามันด âm ฤกโกรธใครต่อใครขึ้นมางนี้นั่นแสดงว่ามันดํ âm ฤไปทางอากุศลหรือถ้ามันดํ âm ฤว่าอยากจะได้ของใครของผู้อื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้นั่นก็คือว่าเป็นความดํ âm ฤที่เป็นอกุศล เราต้องรู้ลักษณะของความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเวลามันคิดไปใช่นนั้นก็เลยไม่นึ ก, กว่าเป็นบาปเป็นอกุศลก็คิดเรื่อยไปอย่างบางคนชอบโกรธใครต่อใครมาเป็นประจำถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือว่าเป็นบาปอากุศลอะไรเลยก็มีอย่างนี้แหละจนติดนิสัย ใครทำอะไรไม่พอใจมาแล้วก็โกรธขึ้นมาในใจโกรธในใจแล้วก็ยังไม่แล้ว้รงแสดงออกทางกายทางวาจากระทบกระทั่งผู้อื่นให้เดือดร้อนไปต า, ตามกันอันโมนีบุคคลไม่ค่อยจะสำนึกได้เลยว่าเป็นบาปอาุศลเแต่ดันถึงได้ยึดถือเอาไว้ ถ้าผู้ใมานึกได้รู้ได้ว่าความวิตกอย่างนี้มันเป็นบาปอกุศลมันจะทําตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่อไปจะรึกได้อย่างนี้มันก็ยับยั้งใจได้มันก็ไม่วิตกไปอย่างนี้แหละเพราะนั้นคําว่าความรู้นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสําคัญทุกคนต้องศึกษา ต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจลักษณะแห่งความดีและความชั่วต่างๆมองือนี่ถ้าไม่ศึกษาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็ไม่รู้อ่าอยางนั้นเช่นลักษณะของบุญกุศลของความดีความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจ เนเราคิดยินดีในสมบัติที่ตนหามาได้โดยทางที่ชอบใช้สอยบริโภคไปบ้างแกจกใจให้แก่ผู้อื่นที่ควรให้บ้างไปอย่างนี้และแม้สมบัติผู้อื่นจะมีมากเท่าไรเราก็ไม่ไปวิตกวิจารณ์อยากได้ของเขามาตนมีเท่าไร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น ความดำริอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นความดำริที่เป็นกุศลแปลว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยปัญญาความฉลาด เ, าเป็นความคิดที่ไม่มีโทษหรือความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาการุณ า, เ, าเมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลาบากเข้าไปอย่างนี้คนนึกสงสาร มเมื่อตนของตนน่ะได้ประสบความทุกข์เดือดร้อนอะไรเอย่านี้ก็คิดจะช่วยตนเองให้มีความสุขไม่ได้ปล่อยตนเองให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนื้อเห็นคนอื่นมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรก็คิดอยากช่วยเหลือให้เขามีความสุขความสบายไป ไม่ไม่คิดแช่งช้ำแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีก็าตามเป็นคนดีก็าตามเราไม่ลำเอียงเ้วก็คิดช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ถ้าไปลำเอียงอยู่นั้นเราช่วยแต่คนดีคนไม่ดีตายช่างมันอย่างนี้มันก็จิตมันลำเอียงไปทางเกลียดชัง มันก็ไม่เป็นธรรมอีกดังนั้นเราต้องทำจิตให้เป็นกลางเราก็คิดช่วยทั้งคนดีคนชั่วนั่นแหละในเวลาที่เขาถึงความวิบัติแม้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงขึ้นมาก็พยายามช่วยตัวเองดำริในใจทำอย่างไรเราถึงจะ แก่จิตใจที่วุ่นวายเดือดร้อนให้มีความสุขได้ให้มันสงบลงไปนี่ถ้าหากว่าไม่ดำริอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอุบายอะไรเกิดขึ้นในใจที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้สงบระ ง, งับลงได้ความดำริดังกล่าวมานี่นะนั่นชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริชอบ เป็นความดำริที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นความชราดของดวงกิจผู้นั้นเนบรรดาท่านนักปาราบบรรดิตผู้ฉราดทั้งหลายท่านจะเป็นผู้มีสติประคองกิจใช้คิดแต่ในทางที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทางที่จะก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นแล้ว ท่านจะไม่คิดไม่ดำรีตรีตองไปเลยนี่เราทุกคนในเมื่อเราได้มาปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอย่างนี้นี่มันก็สมควรที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นนักปราบบัณฑิตได้แล้วเพราะผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะ ก็เป็นนักปราบบัณฑิตได้อันนี้หมายความว่าผู้ใดมีปัญญาฉลาดสามารถละความชั่วออกไปได้แล้วสามารถทําขุนสนความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจขุนสนได้แล้วก็มีอุบายปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่าที่จะช่วยได้อันนี้ท่านเรียกว่านักปราบหรือบัณฑิต ก็บรรดาชาวพุทธทั้งหลายหากว่าเราพิจารณาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะมาสรุปลงตรงนี้เองเนี่ยสรุปลงตรงที่ทำยังไงเราถึงจะละความชั่วออกจากจิตใจนี้ให้หมด ทำอย่างไรเราจึงจะทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในใจนี้ได้เต็มที่นี่หละลักษณะของบัณฑิตนักปราชญ์ก็ต้องมีความดำลิถูกทางอย่างนี้ถ้าไม่ดำริอย่างนี้ก็จะละความชั่วไม่ได้เพราะว่าจิตใจนี้ เมื่อไม่เกิดความคิดความวิจาร่ต่างๆขึ้นมามันก็เรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่กระทือรือร้นทีนี้ถ้าว่ามีความดำริเกิดขึ้นอย่างว่านี้แล้วมันก็ตื่นตัวได้อือจริงไอความทั่วบางอย่างก็ยังมีอยู่ในใจของตนตนยังละมันไม่หมดแล้วความดี ต่างตนก็ยังบำเพ็ญให้เจริญเต็มที่ยังไม่ได้ก่อนเราจะมานิ่งนอนใจอยู่นี่ไม่ได้ถ้าขืนนิ่งนอนใจอยู่เดี๋ยวความชั่วมันก็จะแย่งขึ้นหน้าความดีไปชีวิตนี้ก็จะตกต่ำลงนี่เมื่อดำาีตรีตองได้ความอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่นิ่งนอนใจคนเรานะนก็พยายามเลยทีเดียวนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการนับถือพระพุทธศาสนานี่ที่จะให้ได้ผลจริงๆแล้วก็ต้องมาสำรวมกายวาจาใจของตนเข้าไปให้สงบให้ตั้งมั่นลงไป แล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น เ, ออเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ด, ดังกล่ามานั้นนะแล้วเพียรพยายามละส่วนที่ไม่ดีออกไปพยายามบำเพ็ญส่วนที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นนี่เป็นจุดรวมของพระพุทธศาสนาเมื่อบุคคลละความชั่วออกได้ไปเท่าไหร่ ไอ้ความดีมันก็ต้องเจริญขึ้นได้เท่านั้นเนี่ยถ้าหากว่ายัางยึดมั่นในความชั่วไวอ้อยูน่นี้ความดีมันก็เจริญไม่ได้เพราะว่าความชั่วนั้นมันเป็นศัตรูต่อความดีเหมือนอย่างหญ้ามันเป็นศัตรูต่อต้อนไม้ที่มีผลต่างๆนั่นถ้าขืนปล่อยหญ้านั้นไว้ให ท่วมต้นไม้ที่มีผลอยู่นั้นต้นไม้นั้นมันก็งอกงามขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าไปสะสมกิเลสอันชั่วร้ายไว้นในใจเช่นนี้เนะี่ยบุญกุศลก็จะงอกงามเจริญขึ้นไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้การที่เรานับถือพุทธศาสนานะแต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่าน ดีก็ทำชั่วก็ทำปนเปนกันไปไม่มีปัญญาที่จะคัดเลือกความชั่วออกากตัวไม่มีปัญญาที่จะสรรทำความดีใส่ตนของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเรื่องดีก็ทำชั่วก็ทำมอยูดาดื่นในโลกอันนี้นะอันเนี้ย เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรานับถือพุทธศาสนานี่ไม่ควรที่จะให้พลาดจากกุศลคุณงามความดีไม่ควรที่จะปล่อยให้ความชั่วมันหมกหมุ่มอยู่ในใจของตนเราต้องพากเพียรพยายามภาวนาค้นหาความชั่วอันหมกหมุ่มอยู่ในจิตใจนี้ให้พบถ้าบุคคลไม่ภาวนา ไม่สํำรวมจิตให้สงบให้แนวแน่ลงไปจะมองไม่เห็นความชั่วที่หมักหมมอยู่ในใจนี้เลยเมื่อเวลามันแสดงออกมาภายนอกนี่ก็จึงรู้ตัวว่าตนมีความชั่วรู้ตั้งแต่ผลมันปรากฏออกมาแล้วแต่ต้นเหตุมันไม่รู้ไม่ได้ค้นหามันมันนี้ เมื่อไม่ได้ค้นหาต้นเหตุของมันเวลามีเหตุภายนอกมากะท่องเข้าเวลาใดกิเลสอันชั่วรายนะั้นมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นการที่คนเราจะมาละความชั่วได้มันต้องอาศัยการภาคเตียนพยายามอบรมจิตตัวเอง ข้อสำคัญก็คือพยายามทำจิตให้สงบนี่แหละลงไปนั่งสมาธิภาวนาพยายามโน้มจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาลนังางตานให้เข้าถึงความสงบให้ได้บางคนกว่านนั่งไปแล้วจิตไม่สงบเลยไม่ทราบว่าจะทำยังไงทำอย่างไรมันก็ไม่สงบ นี่ก็เลยทอยเสียไม่ทําต่อไปอีอุบายวิธีฝึกขีดใจนีน่มันมีอยู่สามอย่างถ้าว่าเอาอย่างหลักวิชานะให้เข้าใจกันไว้อุบายที่หนึ่งนั้นได้แก่การข่มจิตนี่ อุบายที่สองได้แก่การปลอบจิตใจอุบายที่สามได้แก่การประคองจิตไว้นี่มันมีอยู่สามวิธีอย่างนี้วิธีที่หนึ่งนั้นเมื่อรู้ว่าใจของตนมันเพลิดเพลิน ม, มากมันเพลิดเพลินไปด้วยความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงไปอย่างนี้ ไอ้ความเพลิดเพลินเช่นนั้นอ่ะมันจะเป็นเหตุให้ได้ไปทำบาปอาคุณต่างๆเช่นที้เราจะไปใช้อุบายอ่อนโยนอะไรไปปลอบจิตใจให้มันหยุดจากความอยากความปรารถนานั้นไม่ได้มันต้องอาศัยการสะกดจิตลงไว้คมจิตลงไว้ด้วยสติโดยขันติความอดทน อย่างนี้แหละเมื่อเราเร า, เรารู้แล้วนี่รู้แล้วว่าความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแบบนั้นไม่ไม่เป็นบุญกุศลอะไรเลยเป็นตะกี้เละเป็นใจเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าขืนปล่อยจิตให้เป็นไปอย่างนี้นี่จะไม่พ้นทุกข์ไปเลยคิดได้อย่างนี้แล้วก็เอาและสะกดมันลงไปคมมันลงไปอืใช้ขันติทำเข้าช่วย อดทนเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าอําทีนี้เราจะไม่คิดไปไหนละเราจะพักจิตเราจะหยุดนิ่งพ อ, อคิดมามากแล้วมันเป็นทุกข์วันนี้คามหยุดได้ความหยุดนิ่งได้นี่เป็นความสุขดังนั้นใครๆก็ต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขต้อง ฝึกจิตให้มันหยุดนิ่งให้ได้เมื่อได้ดระลึกได้อย่างว่านี้แล้วมันก็เอาเลยเพ่งเข้าไปเพ่งความรู้สึกอันนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะพยายามใช้สติปัญให้มัน รู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถ้าทำได้อย่างนี้ไปไม่นานจิตใจมันก็หยุดคิดลงได้ที่มันเคยคิดซ่านไปในเรื่องนู่นเรื่องนี่ไปมาแต่ก่อนนั่นมันก็ค่อยเบาค่อยเบาลงเบาลงะ่ะในที่สุดมันก็หยุดลงได้แต่ธรรมดาและเมื่อพู ด, พดที่มาพูดทีแรกมันก็เผลอไปบ้าง เมื่อเผลอไปแล้วก็ตั้งสติไหมตั้งสติแพ่งความรู้สึกอยู่ภายในพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึก น, นั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดดวงจิตนี่ไม่ใช่ว่ามีรูปร่างอะไรนี่ไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวันนะอะไรเลยมีความรู้สึกอย่างเดียวนั้นนะ่ะอันเนี้ย ความคิดต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอันนั้นดังนั้นเราจรึงพยายามฝึกสติมันเข้มแข็งเข้าไปประคองความรู้สึกอ น, นั้นไว้อย่าให้มันคิดเบื้องต้นนี่นะ่ะให้มันหยุดคิดไปชั่วคราวก่อน mm hmm. เมื่อเราพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างนั้น mm hmm. เมื่อจิตใจนี้มัน ความคิดมันอ่อนลงอ่อนลงลมหายใจมันก็เบาลงก่ละเอียดตรงไปโดยลําดับเมื่อลมหายใจมันละเอียดลงไปเท่าไดใจมันก็ค่อยสงบลงแล้วความรู้สึกสบายมันก็ปลากดไปโดยลําดับความเบาใจเบากายก็ค่อยปลากดไปนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตนี้ถ้ามันคลายอารมณ์ต่างๆออกแล้วนะมัน มันรวมลงไปเป็นหนึ่งลงไปได้มันเบากายเบาใจไปหมดเลยแต่ก่อนมาอึดอัดหนักน่วงมูนี่หายไปมันเป็นอย่งัง้งการที่เราภาคเพียนพยายามฝึกจิตที่ให้มันเข้าถึงความสงบนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขที่แท้จริง ถ้าว่าผู้ใดไม่พยายามฝึกจิตใจอย่างว่านี้มันไม่ไม่ไม่สามารถที่จะพบกับความสุขอย่างแท้จริงได้นี่แหละอันวิธีข่มจิตนะเมื่อเราไม่ท้อไม่ถอยจิตก็สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้บางคราวเอาเมื่อได้ประสบกับความผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่าง ก็จะต้องเกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจลงไปจิตใจอ่อนแอลงเช่นนี้ในเวลาเช่นนั้นควรหาอุบายปลอบใจให้ได้ <c oughs> อุบายที่ปลอบใจนั้นคือหมายความว่าอันธรรมดาผู้ ท, ที่น้อยเนื้อต่ำใจลงไป ก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีบุญวาสนาตอนนี้เป็นคนอาภัพอะไรไปทำนองนั้นแหละทำอะไรก็ไม่ได้สมหวังอย่างนี้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาแต่ทีนี้ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนความดีมันมีอยู่ที่ตนได้ทำมานั่นนะแต่ว่า ความดีเหล่านั้นมันยังไม่มีกำลังแก่กล้าพอที่จะมาต่อสู้กับความชั่วที่ตนพังเหยึดถือมันไว้ดังนั้นความชั่วมันถึงนบควรจิตใจนั้นให้เกิดวิปริไตไปต่างต่างอย่างว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็หวนนึกถึงความดีที่ตนทำมาเป็นอารมณ์ อันนี้เออไม่ใช่ว่าเราจะไปชั่วทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าทาอะไรลงไปแล้วจะไปผิดหวังทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นที่ร่วงแล้วมาเราทำการงานบางสิ่งบางอย่างได้สมหวังก็มีอยู่ทมไปแล้วธรรมดาว่าสรรพสิ่งทั้งพวงในโลกนีนะ่เป็นของไม่เที่ยง เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังไปทุกอย่างจะหาได้ที่ไหนไม่มีในโลกอันเนี้ยใครใครก็ตามเนี่ยบางอย่างมันก็ได้สมหวังบางอย่างก็ผิดหวังไปอันนี้เป็นโลกธรรมดาเหมือนกันหมดเลยดะงนั้นความดีที่เราทำมานั้นมีแน่ไม่ใช่ไม่มีเมื่อมานึกพืนฟูความดีที่ตนทำมานั้น ให้ปรากฏขึ้นจิตได้รับรู้ความดีที่ตนทำมาแล้วนั้นมากพอสมควรอย่างนี้นะจิตใจนี้มันก็เบิกบานขึ้นต่อความดีนั้นก็รับรู้ว่าเออเราก็ได้ทําความดีไว้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ทําะอย่างนี้เมื่อมันะระลึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความโศกเศร้าเสียใจ น้อยเนื้อต่ำใจต่างๆนั้นมันก็เบาไปเบาไปนี่แหละอุบายวิธีปลอบใจนะอถ้าหากว่าเวลาที่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นนะยิ่งไปใช้อุบายโลดผลต่างๆนั้นนาบางคนก็ไปแช่งตัวเองด่าตัวเองอยู่ในใจนั่นก็มีอืตัวเองหักไม่ดีตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนชั่ว พอไปใช้อุบายโลดโผนต่อตอนเองเข้าไปอย่างนั้นเท่าไรใจมันยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆไม่มีทางที่มันจะยกขึ้นสูงขึ้นไปได้งั้นต้องให้เข้าใจไว้ทีนี้เมื่อเรายกเอากุศลคุณงามความดีหรือคุณพระรัตนกรัยมาเป็นอารมณ์ได้จิตใจกลับคืนเป็นปกติ ไม่หน่อยเนื้อตาใจแล้วก็ไม่เผลิดเพลินมัวเมาไปด้วยอำนาจในความอยากดังกล่าวมานั้นเมื่อรู้ว่าใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่างว่านี่นะก็มีสติสมั ญ, ญญาประคองจิตนั้นไว้รักษาความดีนั้นไวอย่าให้มันเสื่อมเมื่อรักษาบุญกุศลคุณ พระรัตนไกลให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้บุญกุศลมันก็ไม่เสื่อมแบบนี้นะตนก็อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยคุณแบบนี้แต่ละวันแต่ละคืนเอาบุญเอาคุณนั่นเป็นกำลังใจเป็นเกาะป้องกันตัวผู้ที่หนักหนักแน่นอยู่ในบุญในคุณแล้วแม้จะมีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกมันก็ไม่หวั่นไหว เพราะว่าความดีของตนมันรวมกำลังกันอยู่ภายใน